เช้าวันรุ่งขึ้นท่านพระครูได้ฉันอาหารทิพย์อีกครั้งเพียงเดินลงเนินไปก็พบผลไม้สีแดงสดเหมือนเมื่อวันวานแล้วก็มีผลเดียวราวกับไม่ต้องการให้ท่านฉันมากกว่านั้นภิกษุวัยสี่ห้าไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยอีกต่อไปว่าเหตุใดผลไม้จึงเกิดขึ้นเติบโตและสุกงอมได้ภายในหนึ่งวันทั้งนี้เพราะท่านรู้ว่า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 ที่พอประทังชีวิตไปได้อีกวันหนึ่งท่านขอบคุณเทวดาอยู่ในใจแล้วปลิดผลไม้จากขั้วเดินไปนั่งยังโขดหินและลงมือฉันฉันเสร็จจึงเดินกลับมายังบริเวณที่ท่านใช้เดินจงกรมและนั่งภาวนาหลวงพ่อดํานั่งอยู่ตรงที่ที่เคยนั่งท่านจึงเข้าไปกราบสามครั้งแล้วพูดว่า หลวงพ่อมานานแล้วหรือครับเราไม่ได้ไปไหนภิกษุรตัอยูตอบแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นหลวงพ่อนิครับสิทธิ์แย้งเธอไม่เห็นเราแต่เราเห็นเธอเห็นตลอดเวลาถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็เห็นผมชันผลไม้ที่เทวดา เนรมิตรไว้ให้พวกเทพเขาชอบช่วยเหลือมนุษย์เหมือนกันหรือครับก็ไม่แน่เสมอไปเฉพาะเทพที่เป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นส่วนพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐินอกจากไม่ช่วยแล้วบางทีก็กอ่อกวนให้เดือดร้อนรำคาญอีกด้วยถ้าเธอพบกับพวกเทพพวกหลัง เธอจะทำอย่างไรท่านตั้งใจทดสอบภูมิธรรมและภูมิปัญญาของสิทธิ์ผมก็จะแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาครับถ้าเธอทำอย่างนั้นแล้วพวกเขายัางไม่เลิกรบกวนอีกเธอจะทำอย่างไรสิทธิ์ถูกอาจารย์ทดสอบอีกผมก็จะใช้ใสยศาสตร์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 เวราณิสัมมันติทะกุธาจันั่งในโลกนี้เวรระงับด้วยเวรไม่เคยมีครับแล้วเธอจะทำกับเทวดาอย่างที่พูดมาได้อย่างไรมิเรียกว่ากอเวนหรือผมพูดผิดนะครับหลวงพ่อไม่เป็นไรพูดผิดพูดใหม่ได้ผมขอพูดใหม่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 นั่นเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องถ้ามัวแต่คิดที่จะก่อเวรปัญหาจะไม่จบลงง่ายๆเอาละต่อไปนี้ก็เดินจงกรมสี่ชั่วโมงนั่งอีกสี่ชั่วโมงจากนั้นเราจะมาสอบอารมณ์ให้ปฏิบัติติดต่อกัน8ดชั่วโมงเลยหรือครับหลวงพ่อผมขอต่อรองเป็นเจ็ดได้ั้ยครับ เดินสามชั่วโมงครึ่งนั่งสามชั่วโมงครึ่งแม้รู้ว่าทำได้หากก็อยากต่อรองไม่มีการต่อรองใดๆจำไว้ว่าในอนาคตสิทธิ์ของเธอเขาจะเดินและนั่งติดต่อกันได้เจ็ดชั่วโมงสิทธิ์ผู้หญิงด้วยเพราะผู้หญิงมีความเพียรมากกว่าผู้ชายเธอเป็นอาจารย์ จะต้องเก่งกว่าสิบต่อไปก็จะให้เพิ่มขึ้นวันละสองชั่วโมงจนกว่าจะเข้าถึงความสงบที่พระพุทธองค์ตรัสรับรองไว้ว่านัตถิสันติปารังสุ ข, ขังครับผมจะเพียรพยายามจนถึงที่สุดแม้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็อยอมต้องอย่างนั้น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 หากยังไม่บรรลุโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากที่นั่งภายใต้ต้นอัศ ธ, ธพรึกนี้นี่ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ในวันนั้นพระพุทธศาสนาก็คงไม่อุบัติขึ้นมาในโลกใช่ไหมครับพระองค์ทรงมีพระทัยเด็ดเดีย่ยวแน่วแน่เกินคนธรรมดาสามัญ น, นะครับหลวงพ่อถูกแล้วทั้งนี้ พระทรงบำเพ็ญบรมีมาถึงสี่อสงไขย์กำไรแสนกับจึงทรงกล้าที่จะเอาชีวิตเข้าแลกการปฏิบัติในขั้นอุกฤษต้องยอมเอาชีวิตเข้าแลกจึงจะสําเร็จขอให้เธอภาคเพียรต่อไปนะความสําเร็จอยู่แค่เอื้อมนี่เองรีบไข ว, ว้าเอามาให้ได้เอาละ่ะลงมือปฏิบัติได้แล้ว ภิกษุวัย45กราบอาจารย์3มครั้งแล้วจึงเริ่มต้นเดินจงกรมระยะที่1โดยบริกรรมว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปเรื่อยเืเดินได้ประมาณสองว่าจึงกำหนดกลับท่านบริกรรมว่ากลับหนอกลับหนอ4คู่กระทั่งหันกลับมาอย่างทิศ ท, ทางเดิม ที่อาจารย์นั่งอยู่ทว่าท่านไม่พบอาจารย์นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วหลวงพ่อดำไปไหนมาไหนรวดเร็วดุจลมพัดนั่นแลหนออย่างนี้ถ้าไม่ให้เรียกว่าผู้วิเศษแล้วจะให้เรียกว่าอะไรหนอท่านนึกถึงอาจารย์ด้วยความชื่นชมยกย่องเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง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 ซึ่งก็พออย่างที่อยู่ได้ไม่ลำบากนักนอกเหนือจากเวลาที่ปฏิบัติหลวงพ่อดำก็จะสอบอารมณ์ซักถามข้ออัดข้อธรรมและให้ความรู้ในด้านทรฤษีเพื่อวางรากฐานให้มั่นคงทางด้านปริยัติและปฏิบัติภิกษุรัตตัญยูรู้ว่าในอนาคตสิทธิผู้นี้จะต้องทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือการสั่งสอน เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แพร่ขยายออกไปในหมู่มนุษย์ผู้มีปัญญาเป็นผู้บอกทางและนำทางแก่สัตว์โลกผู้มุ่งสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์จะดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเหมือนที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินแล้ววันรุ่งขึ้น บรรยากาศภายในป่าดงพญาเยน็นดูสดชื่นแจ่มใสกว่าทุกวันดอกไม้ป่าบานสะพรัง่งส่งกลิ่นหอมกลุ่นกำจายไปท่วบริเวณผีเสื้อหลากสีพากันบินเวียนวนปะปนกับฝูงผึ้งที่แข่งกันเคล้าคลึงเกสรของดอกไม้หมู่นกส่งเสียงร้องเพลงดังเจ้ยเจ้าบ้างก็เหินขึ้นไปล้อลมเล่นอยู่กลางเวหา ธรรมชาติรอบตัวดูราวกับจะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้กับภิกษุผู้เพียรเพ่งเผากิเลสเพื่อพบกับความบริสุทธิ์หลุดพ้นดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้หลังจากสรงน้ำชำระร่างกายและครองผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วภิกษุวัย45จึงเดินลงเนินไปยังพุ่มไม้ตีเตี้ยที่ออกผลให้ท่าน ฉันมาหกวันแล้วหน้าแปลกที่วันนี้ผลไม้ทิพมีขนาดใหญ่กว่าที่ท่านเคยฉันในวันก่อนๆเทวดาคงรู้ว่าท่านจะต้องใช้เรี่ยวแรงในการทำความเพียรหนักกว่าทุกวันกล่าวคือจะต้องเดินและนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานถึง18ชั่วโมงขออนุมโมทนาที่ท่านให้พัดอันเป็นทิพแก่ข้าพเจ้า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 และเริ่มต้นเดินจงกรมระยะที่1ซึ่งจะต้องใช้เวลาชั่วโมงครึง่งจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นเดินระยะที่สองที่3ไปจนถึงระยะที่6แต่ละระยะใช้เวลาเดินชั่วโมงครึง่ง6ระยะก็เป็นเวลา9ชั่วโมงขณะนี้เวลาประมาณ7นาฬิกาท่านจะต้องเดินไปจนถึง16นาฬิกา หลังจากนั้นจะเข้าไปนั่งภาวนาอยู่ในกรดจนถึงหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่จึงจะถือว่าปฏิบัติติดต่อกัน18ดชั่วโมงตามที่หลวงพ่อในป่า ก, กำหนดให้นับเป็นเรื่องที่สาหัสากาัลพอสมควรเพราะการเดินไปเดินมาติดต่อกันนานถึง9้าชั่วโมงนั้นทำให้ขาทั้งสองข้างแข็งเกร็งเวลานั่ง แทบว่าจะงอไม่ได้เลยทีเดียวในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการนั่งส่วนของร่างกายที่ได้รับทุกขเวทนามากที่สุดก็คือขาทั้งสองข้างโดยเฉพาะเวลานั่งนั้นสุดแสนจะทรมานเสียยิ่งกว่าการเดินหากผู้เพียรเพ่งเผากิเลสไม่สามารถทนต่อทุกขเวทนาได้ การปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นผู้มุ่งความหลุดพ้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและยอมสละได้แม้ชีวิตดังที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงบำเพ็ญเป็นแบบอย่างไว้แล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเดินกลับไปกลับมาอย่างมีสติสองชั่วโมงผ่านไปขาทั้งสองข้างก็เริ่มประท้วง อาการปวดเมื่อยเริ่มปรากฏหากท่านก็ไม่ใส่ใจคงกำหนดยกหนอเหยียบหนอไปตามปกติเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงท่านก็เปลี่ยนมา ก, กำหนดยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเดินระยะที่สามชั่วโมงครึ่งแล้วเดินระยะที่สี่ซึ่งมีสี่หนอคือยกส้นหนอยกหนอย่างหนอ เอียบหนอกว่าจะครบหกระยะซึ่งต้องใช้เวลาเก้าชั่วโมงขาทั้งสองของท่านก็แข็งเกรง็งราวกับท่อนเหล็กครั้นถึงเวลานั่งจึงต้องกำหนดย่อหนอย่อหนออยู่นานกว่าขาจะยอมงอและนั่งลงได้ท่านนั่งกำหนดพองหนอยุบหนออยู่ในกรดแคบแคบนั้นรู้สึก เบากายเบาจิตในช่วงแรกๆครั้นนั่งไปได้ประมาณสามชั่วโมงทุกขเวทนาก็มารุมเร้ารู้สึกปวดที่ขาทั้งสองข้างเป็นกำลังกระนั้นท่านก็ไม่ใส่ใจยังคงกำหนดพองหนอยุบหนอต่อไปตามปกติท่านไม่ยอมเสียเวลามากำหนดปวดหนอเพราะรู้ว่าการกำหนดเช่นนั้นมิได้ทำให้อาการปวดหายไป หรือแม้แต่ลดน้อยลงหน้าที่ของท่านในขณะนี้ก็คือใช้สติพิจารณาเวทนาหรือที่เรียกภาษาธรรมว่าเวทนานุ ป, ปัสนาคือการตามดูเวทนาตามรู้เวทนาของตนเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ว่าเสวยทุกขเวทนา เมื่อเสวยอทุกขมะสุขเวทนาก็รู้ว่าเสวยอทุกขมะสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมะสุขเวทนาเจือด้วยอามิสก็รู้เมื่อพิจารณาเวทนาอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งคือความสิ้นไปความเสื่อมไปความเกิดขึ้น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 ที่เคยมาผจญในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งภายใต้ต้นอัศวพลึกกล่าวคือมิใช่เทวปุตตมานแต่เป็นขันธมานมานคือขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสภาพอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกถูกปัจจัยต่างๆ มีอาภาธเป็นต้นบีบคั้นเบียดเบียนเป็นเหตุขัดขวางหรือรอนโอกาสมิให้สามารถทำความดีงามได้เต็มที่หรืออาจตัดโอกาสนั้นโดยสิ้นเชิงท่านตั้งสติแน่วแน่ต่อสู้กับขันธมารอยู่ตามลำพังคิดว่าผจญกับขันธมารก็ยังดีกว่าผจญกับมัจจุมานมารคือความตาย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 แต่แม้ร่างกายจเจ็บปวดรสดร้าวสักเพียงใดก็มิอาจทำให้จิตสงบนิ่งนั้นวันไหวได้ท่านนั่งพิจารณาเวทนาไปเรื่อยๆครั้นความปวดทวีขึ้นจนถึงขีดสูงสุดจึงตั้งจิตอธิษฐานคือการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ว่าตายเป็นตายข้าพเจ้าขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันสิ้นคาอธิษฐาน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 ท่านรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเพ่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรู้ในวินาทีนั้นว่าบัดนี้จิตของท่านเข้าสู่สภาวะอโศกังวิราชังเขมังอันเป็นผลที่ผู้เพียรเพ่งเผากิเลสมุ่งหมายและท่านก็ได้ธรรมคติว่ามักผลนิพพานอยู่เลยความตายไปนิดเดียวบัดนี้ ท่านชนะขันธมานแล้วเป็นชัยชนะที่ไม่มีวันกลับแพ้จากตีหนึ่งถึงหกโมงเช้าภิกษุวัยสใช้เวลาทบทวนพิจารณาธรรมะอันลุ่มลึกด้วยความเพลิดเพลินท่านสามารถระลึกชาติแต่หนหลังได้ถึงเจ็ดชาติตั้งแต่ชาติที่เกิดเป็นคนอินเดียแล้วมาเกิดเป็นคนไทย ไล่ลงมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอยุทยาและรัตนโกสินทร์ตามลำดับเคยเป็นกษัตริย์เป็นสตรีเป็นนักรบกระทั่งมาเป็นพระภิกษุสงฆ์ในชาติปัจจุบันแต่ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ต้องทุกข์ทั้งนั้นเพราะการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังมีพระพุทธวจนะรับรองไว้ดังนี้กเกิด เป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกข์นี้คือความร้อนความหนาวความหิวความกระหายอุจจระปัสวะสัมผัสไฟสัมผัสท่อนไม้สัมผัสศาสตราเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้